หนึ่งละ 0. สุนวัคสิกขาบทที่6ว่าด้วยการปรนิบัติเรื่องภิกษุณีอดีตภรรยามหาอ ม, มารดแปดยสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเกตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมหาอมรรดชื่ออาโรหันตะ บวชในสำนักภิกษุอดีตภรรยาของท่านบวชในสำนักภิกษุณีต่อมาภิกษุนั้นร่วมฉันพัตทหารในสำนักของภิกษุณีนั้นขณะที่ท่านกําลังฉันภิกษุณีนั้นเข้าไปยืนโปรเนบัติอยู่ใกล้ๆด้วยน้ําฉันและการพัดวีพูดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวพูดมากเกินไปลําดับนั้นภิกษุนั้นจึงต่อว่าภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงอย่าได้ทําอย่างนี้เรื่องนี้ไม่สมควร ภิกษุณีนั้นกล่าวว่าเมื่อก่อนท่านทําอย่างนี้อย่างนี้กับดิฉันบัดนี้เพียงเท่านี้ก็ทนไม่ได้จึงครอบขันน้ําลงบนศีรษะแล้วใช้พัดตีบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยภิกษุณีจึงตีภิกษุเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ พวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลถ้าผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ